และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เทนทวายและ อาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5สิเกหมเ สวัสดีครับ mm hmm. ผู้ฟังครับอรุณสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้นีครับกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะฮะ FM 8 9 5วิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรีเคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตฟังออนไลน์พร้อมกันที่ radio.rmudt.ac.th facebook.com ก็เข้าไปติดตามข่าวสารกันได้ที่วิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรีเจอคุณนทิดยาปะกทานังและผมปิยพงษ์เขนถวายครับสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับปิยพงษ์อ้าวฉากใหม่นะฮะทำไมคะ <laughs> <laughs> <laughs> อยู่ในระหว่างการปรับปรุง เขาอาภาัยนิดนึงไม่ได้หาลูก คือยากจะเปลี่ยนฉากใหน่ไปเรื่อยๆกูฟังก็จะได้แบบคนที่เข้ามาดูคลิปดูอะไรก็จะได้เออมันก็มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนอาจจะอาจจะอาจจะถ่ายภาพหน้าสถานีวิทยุของเราเองให้ได้ทราบว่าเราอยู่ในพื้นที่ใดคือตั้งโปรโมทด้านหลังตั้งไปเดี๋ยวเราไปนั่งอยู่ข้างหน้าออฟฟิศนะอ้าวกูฟังวันนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจทีนิดนึงดีกว่านะฮะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาพูดถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนไทยเขาว่าพุ่งสูงขึ้นนะ อ่าเพราะว่าการจัดจ่ายใช้สอยเองอ ม, มันก็สูงขึ้นตามไปด้วยหลา ย, า ย, อ, ยาอย่างนะอ่าดูง่ายๆนะฮะข้าวเหนียวเนี่ย5บาทเป็น7บาท7บาทไม่พอ10บาทแล้วไม่ไม่ไม่ บ, บาทดีฉันซื้อ10 บ, บาทได้น้อยกว่า5บาทที่เคยซื้อฉันเถียงอ้อ<ข>าวก็บอกว่าเผยไม่กังวล น, นี่ควเรือที่สูงขึ้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นเงินกู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจครับอ่านะคะทางด้านของนายอุตมะสวรนายน์่ารัฐมนตรีว่ากระทรวง ก, การคลังเปิดเผยแบบนี้นะคะกรณีที่ทางสภา พ, าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสศชเนี่ยหรือว่าสภาพัฒนะคะได้ออกมาระบุบอกว่าเป็นห่วงค่ะสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไทยล่าสุดนะคะสูงขึ้นมาอยู่ที่อันดับ11ของโลกอันดับสองของเอเชียแล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะกระทรวง ก, การคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทบจะเข้าไป ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะโดยในส่วนของกระทรวงการคลังเองได้สั่งการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยเฉพาะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอ ก, ก, อทอกสได้เร่งลงพื้นที่และให้เครือข่ายเข้าไปติดตามดูแลปัญหาเป็นรายบุคคลค่ะแต่ยังก็ตามแล้วนะคะมองว่าสถานการณ์นี่โควรริดของไทยขณะนี้เนี่ยยังไม่รุนแรงจนถึงขั้นต้องกังวล น, นะคะและก็มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เพราะต้องแยกแยะนะคะว่านี่โควรเริดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นหนี้ที่เกิดจากการทําธุรกิจเป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์มีหลักประกันถือเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับรัฐบาลก็มีการสนับสนุนไม่ใช่หนี้ด้อยคุณภาพแต่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ประมาทนะคะยังมีการติดตามดูแลสถานการณ์อยู่ตลอดค่ะดูว่าจะทําอย่างไรให้คนไทยนั้นเข้าใจเกี่ยวกับการก่อหนี้เพราะหนี้ครัวเรือนเป็นหนี้ที่ต้องบริหารจัดการค่ะ ทางด้านของท่านผ อ, อ, อนะครับสนักงานเศรษฐกิจ ก, การคลังคุณละวารนแสงสนิทนะฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาพูดถึงว่ากระทรวงการคลังเองมีการประเมินนะครับว่าสถานการณ์หนี้ควัวเรือนของไทยยังไม่เป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยระดับหนี้ครัวเรือนไนตรมาสที่1ปีนี้ของไทยอยู่ที่ 78. 7จ7เซของ GDP หรือ 12.97 ล้านล้านบาท แต่ถือว่าได้ลดลงเมื่อเทียบกับระดับหนี้ครัวเรือนที่เคยสูงสุดอยู่ที่ 81.2% ต่อ GDP เมื่อปี58ทั้ง น, นี้เนื่องจากหนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่นะครับมีทรัพย์สินเป็นหลักประกรันาที่คุณบอกไปมีที่พักอาศัยรถยนต์ซึ่งหนี้เหล่านี้เพื่อเป็นหนี้เพื่อการสะสมความมั่นคงในรูปแบบทรัพย์สิน เป็นการลงทุนธุรกิจหารายได้ก็จะส่งผลดีต่อความมั่นคงของรายได้ครัวเรือนขณะที่หนี้ครัวเรือนบางส่วนใช้เพื่อประกอบธุรกิจถือเป็นสินเชื่อที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อหักสินเชื่อธุรกิจนี้ออกไปนะฮะระดับหนี้ครัวเรือนไทยจะลดลงมาอยู่ที่ 65.8% ต่อ GDP ีพีส่วนสัด ส, ส่วนหนี้ครัวเรือนเพื่อการบริโภคเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิต อ, อยู่ระดับต่ํานะครับ 6.3% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดขระดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของหนี้ครัวเรือนก็อยู่ในระดับที่ต่ำเช่นเดียวกันคือ 3.3% ซนะครับค่ะซึ่งกระทรวงการคลังเองนะคะก็ได้มีการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์หนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะหากว่าสถานการณ์หนี้เพิ่มสูงเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อธนะการเงินของระดับครัวเรือนแล้วก็เสถียรภาพเศรษฐกิจได้ค่ะโดยให้ความสําคัญในการให้ความรู้การเงินแก่ประชาชนผ่านกระบวนการทํางานของธนาคารรัฐนะคะอย่างอมสินเองเนี่ยก็มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินการออมบัญชีพอเพียงผ่านโครงการออมและบริหารหนี้ที่สม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขและโครงการสําหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาผ่านโครงการธนาคารโรงเรียนนะคะขณะที่ทกสเองค่ะก็มีโครงการให้ความรู้ทางการเงินกับเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการสร้างสังคมแห่งปัญญาผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทกศนะคะนอกจากนี้ก็จะให้สถาบันการเงินของรัฐเข้ามามีบทบาทในการดูแลปรับโครงสร้างหนี้ให้มากขึ้นด้วยซึ่งกระทรวงการคลังนั้นก็ยืนยันนะคะว่าหนี้ควร ปัจจุบันนั้นยังไม่ได้อยู่ที่น่ากังวลค่ะจนจะมีะะผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจไทยในวันนี้จะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงบ้างจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีการเติบโต 4% เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่ 3% แล้วนะคะแต่ว่ายังมีการขยายตัวได้ไม่ได้เติบโตติดลบหรือว่าเกิดภาวะถดถอยได้อย่างใดค่ ะ, ะไม่ยังไม่ถึงค่าเป้าที่คาดการไว้แต่<ช>ยังเติบโตะนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับมาดูเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกัน นะครับในส่วนของทาง Master c a r d ริงเองสำรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องเป็นข่าวดีนะครับว่ากรุงเทพมหานครของเราครองแชมป์นะครับอันเป็นอันดับ1นะฮะสปีซ้อนแล้วนะครับเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดนะฮะอยากมาเยือน <cot> นะครับจากการจัดอันดับ200เมืองทั่วโลกมากกว่าป า, ปารีสและก็ลอนดอนด้วยนะครับม a สเตอร์การ์ดค่ะมีการประกาศการจัดอันดับเมืองนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกประจําปีนี้นะคะพบว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยครองแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน มากที่สุดในโลกเป็นปีที่4ติดต่อกันในการจัดอันดับ200เมืองทั่วโลกวัดตามจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ข้อมูลการใช้ใจ่ายเงินนะคะโดยปีที่ผ่านมาค่ะกรุงเทพมหาคนครนั้นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 22.78 ล้านคนและคาดว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 3. 3าเเซขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะคะอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็อังกฤษค่ะส่วนปารีสแล้วก็ลอนดอนอยู่อันดับที่2และ3ตามลําดับมีนักท่องเที่ยวขาเข้าเมืองละราวๆสิบเก้านคน ะะดูใบอันดับ4ค่ะมีนักท่องเทีย่ยวประมาณ 15.9 ล้านคนอันดับ5สิงคโปร์อันดับ6กัวลัมเปอร์มาเลเซียขณะที่นิวยอร์กอิสตันบูลโตเกียวและเมืองอันตัญยาของตุรกีก็ต่างติดอันดับเข้ามาในท็อป10ของโลกเช่นเดียวกันในการสำรวจยังพบด้วยนะคะว่านักท่องเทีย่ยวระหว่างประเทศทั่วทั้ง200เมืองนั้นเพิ่มจานวนขึ้นถึง76เปอร์เซต์ในช่วง10ปีหลังสุดค่ะ คือมีการรายงานระบุว่าแม้กรุงเทพเองจะยังคงครองแชมป์เอาไว้ได้ในปีนี้นะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทยเองก็เจอปัญหาเรื่องของภ า, ภาว ะ, ภา ว, ะภาวการที่สวนทางกันงง ค, คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเดือนพฤษภา ค, คมลดลง 1.03 เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอันนี้หมายถึงว่าทั่ว ทั้งประเทศใช่คือก่อ น, นที่ในเดือนมิถุนายนจะฟื้นคืนสู่การเติบโต 0.89 เซเมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้านี้นะครับใ น, ในที่ดีการท่องเที่ยวคิดเป็น12เปของเศรษฐกิจไทยค่อนขอ้างเยอะนะท่านี้ ก, การขยายตัวเศรษฐกิจของจีนที่ค่อนข้างอ่อนแอและอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตเมื่อปีที่แล้วก็ทําให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนเองเดินทางมาไทยน้อยลงพอสมควรเช่นเดียวกันในช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้เป็นผลภาวะที่ตาม กยังคงเป็นเรื่องที่ยังแก้ไม่ตกคือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเองถ้าไม่มั่นใจมันก็มีผลรวมถึงส่วนหนึ่งบริษัทนำเที่ยวใช่ค่ะคือไม่วนเหรียญนะคือส่วนหนึ่งคือแม้แม้จะไม่ใช่สูนเหรียญแต่ความหมายว่าถ้าเป็นทัวร์ที่ต้องจัดโปรแกรมให้กับนักท่องเที่ยวจีนต้องน่าสนใจต้องมีความปลอดภัยถ้าเขาคิดว่า ไม่มั่นใจหรือคาดการว่านักท่องเที่ยวไม่มามเขาก็จะไม่จัดโปรแกรมเดินทางมาที่ตรงนี้หรือพื้นที่นี้จังหวัดนี้มันก็มีผลตามมาเช่นเดียวกัน อันนี้เราก็คงต้อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องหาหาทางในการแก้ไขกันต่อเียวก็ตามนะครับตัวเลขที่ลดลงของนักท่องเที่ยวจีนเองก็ได้ถูกชดเชยนะครับบางส่วนจากการเดินทางเข้าไทยมากขึ้นของนักท่องเที่ยวอินเดียอินเดียเป็นตลาดใหม่คุณผู้ฟังนะ ก, ก็ยังมองกันอยู่ว่าอินเดีย น, น่าจะเป็นโอกาสในการที่จะขยายตลาดมากยิ่งขึ้นโดยไทยคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวอินเดียมาที่ไทย 2>, 2ล้านค น, นมากนะกว่าที่คาดการไว้นะก่อนหน้านี้ขณะที่เดือนที่แล้วรัฐบาลขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจลงตาเพื่อเข้าประเทศหนัวละ 2,000 บา ท, บาทยกเว้นน ะ, ะไม่ได้เก็บเขาอาาบีซ่า อ, าเอรเบนะใช่ค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าสิแบบประเทศรวมถึงทั้งจีนและก็อินเดียกันด้วยนะครับคือฉันว่าอาจจะฟื้นฟูได้ถ้าหากว่าเปิดพื้นที่ในส่วนที่ไม่เคยทําการท่องเที่ยวมาก่อนครับอย่างเช่นในเกาะต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องรอไปก่อนอืบางเกาะที่เขามีการปิดเพื่อซ่อมแซมตั ว, อตวเองนะบางเกาะเองนี่ปิดยังไม่เปิดเลยนะคือเราต้องมองว่าเราต้องเอาธรรมชาติไปก่อนเบียโพคือเขาบอกว่าถ้าถ้าแบบเป็นสุภาษิตคำบางเพลย์ไทยนะก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ค่ะบางทีหนึ่งเพราะว่า ค่าแบบใกล้จะดีแล้วออาเปิดออาพังใหม่โซ่โซใหม่แต่ถ้าแบบอเอาให้เต็มที่เอาสมบูรณ์เอาแบบจะมีเนะกาะเต่าด้วยใช่ไห ม, มที่เป็นหนึ่งในเกาะที่เขามีการปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคเป็นเป็นกฎที่เข้มข้นเลยทีเดียวน ะ, ะ, ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราไม่ค่อยเคยเจอเอามาดูเรื่องอาหารการกินกันบ้างเพื่อนฟังฮะ <laughs> เรื่องของการปรุงอาหารใครที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวหรือจะเป็นมือสมัครเล่นมืออาชีพก็ตามคุณเห็นภาพหรืออย่างอ่ะฉันจะพูดอย่างนี้คือคือผมไม่เห็นภาพแต่ผมผมนึกภาพออกเพราะว่าคุณผู้ฟังเห็นภาพคลิปวิดีโอมันจะมันจะมีมันจะมีเมนูหลักๆที่ผมเห็นเป็นประจำคือส้มตำส้มตําทางอาต้องบอกว่าแถวบ้านผมอ่คุณไม่ได้บอกว่าตรงไหนก็แล้วแต่นะร้านไหนนะแต่การตักเนี่ยเครื่องปรุงวัตถุดิบเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาเริ่มไม่แน่ใจว่าแม่ค้าเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ตักอยู่มันเกิอะไรบางครั้งเนี่มันมีคําถามนะคือตักจิ้มจิ้มจิ้มจกันไปเพราะบางทีแบบโอ้โหนะฮะยืนยืนมองด้วยความแบบแต่มันรสชาติมันนัวหรือเกินแต่รสชาตินัวคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีคลิปเรียลหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายท่านน่าจะได้เห็นกันนะเป็นภาพของแม่ค้าส้มตําแห่งหนึ่งเนี่ยที่เขามีครกใหญ่มากๆแล้วเขาก็เทเจ้าสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าผงชูรสครับถุงใหญ่มากมมันรีียกกกง่ะ ถุงใหญ่มากที่เขาขายกันมาสัก 40-50 บาทอะถุงใหญ่ขนาดนั้นเลยอะไอตัวนั้นมัน500รยกรัมหมห้รกรัมก็มาสักเท่านี้เดี๋ยวถ้าถุงใหญ่มากก็โลนึงอะถุงใหญ่มากเลยนะแล้วเขาเทลงไปแล้วคนก็แซวกันในโลกโซเชียลว่าบอว่าโอ้โหมันมันน่าจะหนัวมากเลยนะมันน่าจะนัวความเชื่อเดิมนี่คือทานเยอะผมร่วงอ่ ใช่ๆช่ใช่ใชใวันนี้มีคําตอบด้วยมาคุยกันว่ามันเป็นยังไงเอาเริ่มต้นกันนะคะกรมอนามัยตอนนี้ออกมาเตือนประชาชนนะคะเรื่องราวของการกินพงชูรสกินมากก็อาจเกิดอาการแพ้ได้นะคะทําปากลิ้นชาปวดหนกแก้มหัวใจเต้นช้าลงคลื่นไส้กระหายน้ําถ้าแพ้มากอาจถึงขั้นเป็นอัมพาต ช, ชั่วคราวแต่จะหายได้เองภายในเวลาสองชั่วโมงค่ะอา้าวอันดับแรกอาการแรกที่ทุกคนเจอกันอยู่แล้วใช่ ค, คือ คลื่นไส้กระหายน้ํากระหายน้ ำ, นำนเป็นอาหารเป็นอะไรเป็นเป็นอาการสเต็ปแรกคไม่ได้เป็นการกินส้อมตําอย่างเดียวนะคุณเคยไปกินชาบูไหม ท, ท, ท, ทุกอย่างกูกระทะทุกทุกอย่างน้ําซุป ท, ที่รู้สึก <c oughs> ว่าทานแล้วแบบเป็นอาหารที่แบบทานแล้วรู้ทําไมต้องแบบปากแห้งกระหายน้ําจังเลยนี่แหละนะกล่ากันไปนะครับนายแพทย์นายทีวรนดาท่านรองที่บดีกรมอนามัยท่านออกมาพูดถึงกรณีที่ชาวโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องของแม่ค้ารายหนึ่ง โรยผงปรุงรสเข้าไปในครกที่กำลังตาเป็นจํานวนมากว่าความนิยมในการใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสในอาหารเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้มันนัวขึ้นนั้นเนี่ยความจริงแล้วผงชูรสเนี่ยที่เรียกว่าโมโนโซเดีย ม, มกลูตาเม ต, ต, เมตอันนี้เราก็ทรบาบกันดีเพราะเปนชื่อทางวิทยาศาสตร์ส่วนผสมประกอบไปด้วยโซเดียมนะฮะมีผงชูรสจะละลายน้ําไขมันให้กลาให้กลมกลืนกับน้ำํำถ้าให้มีรสเหมือนน้ําต้มเนื้อแล้วก็ กระตุ้นปุ่ ม, ป, ป, มปลายประสาทของลิ้นกับคอทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติอร่อยหวานอร่อยกลมหล่อมนัวที่คุณบอกถ้ากินไปมากๆเขาบอกนี้ อ, อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาการแพ้ผงชูรสยังไง ก, ก็ไม่ทราบ อ, อย่างเช่นอาการที่เมนชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าแพ้จริงๆคือชาที่ปากลิ้น ปวดกล้ามเนื้อบริเวณโหนกแก้มเอาเราไม่ได้ไปฉีดโบกันมารู้สึกปว ด, ปว ด, ป, วดปวดตึงๆ ต, ต้นคอหน้าอกหัวใจเต้นช้าลงหายใจไม่สะดวกปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแต่ว่าคนเป็นเยอะๆเนี่ยคือกระหายน้ำ อ, อันนี้อาจจะยังไม่ได้แพ้อาจจะรู้สึกว่าเป็นผนข้างเคียงส่วนผู้ที่แพ้ผงชูร่มมากๆจะเกิดอาการชาบริเวณใบหูนะฮะหน้าวิงเวียนหัวใจเต้นเร็วนะฮะแล้วก็ อาจจะเป็นอมพาตตามแขนขาชนิดชั่วคราวได้ <ชา S 2> ประมาณ<ต>นั้นาการเหล่านี้จะหายเองคุณผู้ฟังในสองชั่วโมงในสองชั่วโมงรว ม, งรวมถึงรวมถึงไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆนะฮะนี่ผงชูรสหรือว่ายาชากันแน่นะคะที่ต้องระวังเลยนะคุณหมอบอกว่าต้องระวังในผู้หญิงตั้งครรภ์ น, นะคะไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สําหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนะคะถ้าหากว่ากินผงชูรสเข้าไปแล้วเนี่ยจะกระทบกับการจเจริญเติบโตของสมองด้วยยังไม่รวมถึงภาวะที่ได้รับเกลือโซเดียมมากเกินไปแต่ก็เกิด การทำงานมากขึ้นอีกด้วยนะคะทางนี้ค่ะแม่ค้าร้านอาหารที่ ถือตัวเองเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วนะในการปรุงอาหารหรือว่ามีเมนูชูสุขภาพนะคะเฮลตี้ประจําร้านและมีการใช้น้ำเคี่ยวกระดูกสัตว์อยู่แล้วเนี่ยผงชูรสคาะไม่จําเป็นเลยที่คุณจะต้องนํามาใช้ในการปรุงอาหารนะคะซึ่งหาจําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นและควรเพิ่มความพิถีพิถันในการใช้วัตถุ ด, ดิบที่มีคุณภาพสดสะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการและการปรุงที่ถูกสุขลักษณะนะคะซึ่งหากจะให้เลือกใช้ผงชูรสก็สังเกตหีบพอหรือว่ากระป๋องบรรจุคอพ ต้องไม่มีรอยตำหนินะคะฉลากพิมพ์เป็นตัวหนังสือภาษาไทยชัดเจนไม่เลอะเลือนและต้องระบุเชื่ออาหารนะคะแสดงคำว่าผงชูรสตลอดจนมีเลขทะเบียนตำรับอาหารหรือว่าออยระบุที่ตั้งของผู้ผลิตเดือนปีที่ผลิตรวมทั้งน้ำหนักสุทธิอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันผงชูรสปลอมค่ะอ้าวเคยมีการตรวจสอบผมจำผงชูรสปลอมเนี่ยนะคุณบีเอาไปเผาไฟหใช่หสมัย ใช้คขามาสมัยนะทดลองวิทยาศาสตร์เออเอาเอาเอาใส่ช้อนน่ะเคเไมคุณู้ังน่าจะเคยแหละแลอลูมิเนียมเขาจะมีในห้องทดลองแล้วก็เอาผงชโลเนี่ยเอาไปใส่ในในแล้วก็เผาไฟเขาก็บอกว่าไปเอาปลมาซีผงชโลธในครัวที่บ้านของคุณน่ะเอามาลองเทสดูว่ามันจริงหรจริงแล้วเป็นทดลองเราเราเคยนะเราเคยมันจะเป็นผงมีกลิ่นมีควันอะไรสักอย่างประมาณนั้นให้สังเกตให้สังเกตอะไรนะผงอะประมาณนั้นอะ แต่คำถามที่นี้เขามีคำถาม๋ยวพงกินผงชูรสผมร่วงจริงไหมพรอพงศงคนก็ได้ยินคำนะอ้ใส่เยอะนี่ผมร่วงแน่นอนเลยเนี่ยดี๋ยวนี้เนี่ยเธอกินอาหารที่ผงชูรสเยอะสี่ผมร่วงว่าอยางน้ร่วงนะฮะอาจารย์นายแพทย์ว่านนบนะฮะวชิระมนอยู่ที่หน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนเผยแพร่บทความผ่านนิตยสารสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านเขียนไว้เรื่องนี้ฮะก<ถ>ินผงชูรสมากทำให้ผมร่ว ง, จ ร, งจริงหรื อ, รอไม่ว่ายังไงพี่โภคเบอกว่ายังไม่มีรายงานทางด้านของวารสารทางการแพทย์นะหรือแม้แต่ข้อมูลจากอยสหรัฐอเมริกาตัวอย่างที่เจอก็ได้บ่อยคือคนที่ผมบางหรือเป็นโรคผมร่วงมักจะพยายามหาสาเหตุหรือคาอธิบายว่าทาไมผมถึงบาง แล้วก็ก จ, ะะจะนำมาผูกเรื่องกับอาหารการกินนู่นนี่นั่นการดําเนินชีวิตใช้ยายสะผมผิดประเพณีอะไรอย่างนั้นเปล่าอเอออย่างเงี้ยเกิดจากความผิดปกติของนังศีรษะและก็เส้นผมเองหลายครั้งที่เจอคนไข้ไปปรึกษาเรื่องของผมบางแล้วบอกว่าลอ ง, ลองดิกเลี้ย ง, เ, ยง เ, อเอาผงชุบทแล้วแต่ผมยังร่วง อ, อยู่เลยนะคนไข้บอกคนไข้บอกคําตอบนี้ก็พอจะยืนยันได้ว่าโเอาผงชุบทนี่แหละกับผมร่วงเนี่ยไม่เกี่ยวกัน โดยข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับคุณหมอบอกงี้คิดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกกันรุ่นต่อรุ่นว่าผงชูรสทำให้ผมร่วงเ อ, ออย่างไร้ก็ตามการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด ทั้งการปรุงด้วยน้ำปลาหรือเติมเครื่องปรุงรสต่างๆอย่างเช่นซอสผงปรุงรสหรือโซเดียมแฝงอยู่หากกระทานมากเกินไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของความดันและก็ไตนะครับอา้าวยังไม่มีทางการแพทย์ยืนยันอย่างชัดเจนร้อออกมาบอกว่าทานนี่เยอะๆแล้วผมร่วมป้าเพีจะบอกว่ากินผงชูรสเยอะละสิก็ผมร่วงอ่ะไม่ใช่แต่ว่ า, อาไอ้ที่เราพูดกันเมื่อครู่นี้ที่บอกว่าผลข้างเคียงน่ะมันมีอ่ะมันมีแน่นอนแต่เรื่องของผมร่วงเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะต้องสังเกตตัวเองว่าคุณ ทานอะไรหรือเปล่าใน<อ>าช่ว ง, งนี้ ว, ว่า <นะ S 1> คุณแพ้อะไรหรือเปล่านะคะยังมีเวลา อ่าใช่แล้วยังมีเวลาอยู่น ะ, ะนะคะอ้าวเรื่องราวนี้ค่ะกรมการค้าภายในตอนนี้มีการเปิดนี่แล้วนะคะศูนย์รับแจ้งความคดียาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์อย่างเป็นทางการล่าสุดนะคะมีผู้ป่วย100คนมีการโทรแจ้งว่าถูกคิดค่ายาและค่ารักษาแพงเกินจริงค่ะและมีการประสานขอหลักฐานก่อนจัดการตามกฎหมายแล้วค่ะครับผมท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณประโยชน์เพนสุด เปิดเผยว่าทางกรมการค้าภายในเปิดศูนย์แล้วนะครับรับแจ้งความคดียาเวชพันธ์แล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ<ะ>เพื่อประชาชนร้องเรียนโรงพยาบาลเอ ก, กชนครับที่คิดค่ายาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เป็นธรรมทำไม ม, มันแพงจังเลยฉันคิดว่ามันน่าจะถูกกว่านี้ คือบางคนบอกว่ายอมรับว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นแพงจริงแต่มันใกล้บ้านแล้วก็หาหมอเนี่ง่ายกว่าโรงพยาบาลรัฐแต่การที่ไปร้องเรียนแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปใส่ร้ายเขาเพราะเขาจะตรวจสอบกันนะครับหลังจากที่โรงพยาบาลเอกชนกว่า300แห่งส่งราคาซื้อขายยามาที่กรมทั้งหมดแล้วโดยล่าสุดประชาชนก็ไปร้องเรียนนะฮะด้วยตนเองด้วยแล้วก็สายหน่วด้วยอ้าว้าย้ำนะ ตอนนี้มีร้อยกว่าคนแล้วนะครับส่วนใหญ่ร้องเรียนจากกรณีที่ถูกรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่แพงเกินจริงนับตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาค้นโทรศัพท์เข้ามาอย่างล้นหลามนะฮะหลังจากที่กรมได้เข้าไปแก้ไขปัญหาราคายาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่แพงซึ่งเมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนํา อ่าไม่ใช่โทรมาที่ดีนะไม่มีหลักทวงหลักฐานไม่ได้โทรมาแล้วปุ๊บครัวให้คุณส่งหลักฐานมาที่ศูนย์เนยหลักฐานคืออะไรคุณใบเสร็จใช่ไหมใช่แล้วนะครับหรือเอกสารที่มันยืนยันว่ามันน่าจะแพงจริงหรือให้ตรวจสอบทิศที่มาที่ไปนอกจากโทรมาที่ศูนส่งมาที่ศูนย์แล้วส่งมาที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศแล้วหลังจากนั้นเขาจะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดจริงก็จะไปดําเนินคดีนะฮะ ตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้และก็ส่งคดีดาเนินคดีแทนประชาชนคุณไม่ต้องทำอะไรเลยน ะ, ะทั้งนี้ในภาพรวมมีประชาชนที่มายื่นเอกหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะครับ10เรื่อ ง, เ อ, งเอ้าเท่ากับว่า 10% จากร้อยเรื่องจากร้อยเรื่องที่เข้าม า, อาตอนแรกงนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการว่า จ, จะฟ้อ ง, อง<ม>หรื อ, อไม่ฟ้องอีกประมาณสัก8เรื่องอ้าวแสดงว่าฟ้องไปแล้วนี่2เรื่องอ่าสำหรับโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ไม่ได้มีการส่งข้อมูลต้นทุนราคาย้ายกับกรมการค้าภายในนะคะ48โรงพยาบาลตอนนี้ได้มีการทยอยเข้ามาชี้แจงต่อเนื่องแล้วค่ะส่วนใหญ่ปัญหาก็คือเรื่องของการสื่อสารไม่ตรงกันรวมถึงมีโรงพยาบาลแจ้งเลิกกิจการหนึ่งรายนะคะเป็นปัญหาทางธุรกิจแล้วก็มีเปิดกิจการใหม่2รายมี1รายที่เปลี่ยนจากกิจการโรงพยาบาลลดขนาดเป็นคลินิกนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการค้า ภายในมีการตรวจสอบข้อมูลของยาต่างๆพบว่ามียาสิรายการค่ะคุณผู่ฟงค้าที่มีประชาชนใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนจํานวนมากอันดับหนึ่งเลยพาราเซตามอล น, นะคะใช้แก้ไข้แก้ปวดหัวค่ะอันดับสองแอสไพรินเป็นยากแก้ปวดหัวอันดับ3ามไอบูโปรเฟนเป็นยากแก้ปวดอันดับ4ออกซิซิลินเป็นยารักษาโรคซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเช่นการติดเชื้อเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันดับ5คือโรอิโทไมซินเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รักษาวรัตวัดอนดับหกเพนิซิลินค่ะยาปฏิชีวนะรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียอันดับ7คือไซเมทิคนเป็นยาบรรเทาอาการท้องอืดอันดับ8คาวีดิลอนเป็นยาลดความดันโลหิตอันดับ9้าไดออสมักทายนะคะเป็นยารักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงและอันดับ10คือเมเฟนามิกค่ะเป็นยาเกี่ยวกับการแก้ปวดประจําเดือนนั่นเองซึ่งประชาชนที่เข้าไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่นั้นนะคะมีปัญหาเรื่องของการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดหรือ ไม่ก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อทางเดินหายใจท้องอืดท้องเสียและเป็นความดันค่ะยาส่วนใหญ่นั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะคะนี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้กระทรวงพาณิชย์นั้นต้องการให้โรงพยาบาลเอกชนออกใบสั่งยาและแจ้งราคายากับผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อเป็นทางเลือกให้สามารถนําไปสั่งยาจากร้านขายยาทั่วไปได้นั่นเองค่ะอ้าวก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ<ช><ม>อแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลเอกชนเองก็ต้อง Uh, เขาจะต้องอยู่ให้ได้เพราะงั้นเพราะว่าเรื่องของการบริการ<ช>การเซอร์วิสนะคะรับก็ถือว่ามีศูนย์มาให้ละถ้าคิดว่าไม่เป็นธรรมก็ไปร้องเรียนแต่อพนอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการให้ให้ร้านขายายาเป็นตัวแทนในการจ่ายยาแทนโรงพยาบาลด้วยซึ่งตรงนี้ต้องมารอดูกันว่า กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆเนี่ยจะทําได้หรือไม่ครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมียาบางตัวซึ่งโดยปกติแล้วเด็กเราเอาที่รักษายามไม่ได้นะต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วถ้าเกิดว่าปรากฏว่ามันสั่งคืินล่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะต้องติดตามกันนะคะ เ, เดี๋ยวเป็นลําบากเหมือนต่างชาติ น, ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวผมว่าถ้าแบบเพศจ่ายนูนนี่นั่นมีใบสัญญาลําบากเดี๋ยวต่อไปจะต้องแบบ เหมือนไปต่างชาติอะคุณซื้อยาเองไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้กเกาหลีใต้ยังต้องมีใบสั่งยาเลยค่ะมไม่สามารถจะซื้อในร้านได้ไม่สามารถเข้าเซเว่นไปซื้ออะไรได้เลยนะอ่าก็ถือว่าติดตามกันต่อนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกรอบข่าวชาววันศุกร์กันใหม่นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับค่ะวันนี้ทีฉันอาทิตยาปักธานังและคุณเบียโพงเคนทวายต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ